สวัส ด, ดีครับพี่น้องครับนีเสียงจากผีบานนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซู SU ตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบหครับคําอุปมาตอนที่ห้าเรื่องมเมล็ดผักกาดพระนะะพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสามข้อที่สามสิบเอ็ดสามสิบสองครับพี่น้องครับพระธรรมมัทธิวบทที่สามสิบเอ็ดและสามิบสองครับแต่จริงแล้วระาพระเจ้าตอนนี้ เป็นพระกงพี่สัส้นๆนะครับแต่มีความหมายยิ่งใหญ่ก็คือเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นอย่างไรนั้นให้เรามาดูกันนะครับแผ่นดินของพระเจ้าคือพอเจตนของพระเจ้าที่ตกเข้าไปอยู่ในชีวิตของพวกเราในการเดียดกันเจตนของพระเจ้านั้นก็กลับกลายขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้เกิดแผ่นดินของพระเจ้าได้นะครับมัทธิวบทที่13 ข้อที่สามสิบเ็ดครับพระองค์ทรงยกคำอุปมาอีกข้อหอนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนมเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ปากากาซึ่งมีคนเอาไปเพาะในทุ่งของตนแม้เมล็ดนั้นเล็กกว่ามเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นก็ใหญ่ที่สุดในสวนและกลายเป็นต้นให้นกในอากาศมาเกาะ โปรดฟังกันนะครับโปรงทรงยกขับโ อ, อมาอีกข้อหอนึ่งว่าอาณาจาักรสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดผักกาดหรือเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีคนเอาไปเพาะในทุ่งของตนแม้เมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดตั้งพวงแต่เมื่อ ง, งอกขึ้นก็ใหญ่ที่สุดในสวนและกลายเป็นต้นให้นกในอากาศมาเกาะปีก เป็นองค์าบพระาพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงอุปมาที่ผู้บันทึกพระกิ่งขุนทั้งสามได้กล่าวถึงคาอุปมานี้ครับพระธรรมโกบที่สี่ข้อสามสิบถึงข้อสามสองและลูกาบทที่สิบสามข้อที่สิบแปดถึงสิบเก้าก็เช่นเดียวกันเราเห็นว่าเป็นคาอุปมาที่สั้นมากครับเป็นเรื่องชีวิตของเพียซูเปียซูตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนสิ่งใด เราจะเปรียบแผ่นดินนั้นกับปลายดีแล้วคมก็เปรียบแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนกับเมล็ดปักกาผู้เขียนได้กล่าวว่าเมล็ดผักกาศนี้เป็นเมล็ดที่เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงบนแผ่นดินโลกสามารถเปรียบได้กับเมล็ดกล้วยไม้ที่เล็กมากครับและเมล็ดของต้นไม้จำพวกต้นสนแต่เมล็ดผักกาศนั้นยังเล็กกว่าเมล็ดพิกไทย ต้นปักกาศที่เติบโตในแผ่นดินปาเลสไตน์นั้นไม่เหมือนผักกาดหอมที่บ้านเรานะครับแต่ต้นผักกาดที่เติบโตในปาเลสไตน์นั้นสูงประมาณหกฟุตถึงสิบสองฟุตเอ่ยครับก็ประมาณอยู่ที่หนึ่งจุดแปดเมตรนะครับถึงสามหกเมตรนอกจากนี้แล้วต้นผักกาดยังมีใบใหญ่ซึ่งใช้เป็นร่มเงาได้ พี่น้องครับต้อ้ผักกาดในฟาลลสไตน์มีคนไปนค้นมานะครับเขาชื่อว่าซีเน p i s Nigra S I N A P I S N I G R A ซีเ a p i s n i g r าอยู่ในออเดอร์อยู่ในกลุ่มของ c, c r u c ซ f e r เร C R U C I F E R A E ก็คือว่า เป็นต้นไม้ที่มีจริงครับและมีวงทางวิทยาศาสตร์มีชื่อทางวิทยาศาสตร์เรารู้ด้วยแล้วก็เม็ดของมันนั้นเป็นเม็ดสีดวพบแพร่กระจายไปอยู่ในลุ่มแม่น้ําจอแดนนะครับซึ่งเป็นที่ราบรุ่มก็จะมีดินที่ดีครับดินที่แม่น้ําจอแดนนั้นเป็นดินที่อดมสมบูรณ์มากนะครับเป็นดินที่ดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แกลลีเพราะแกลลี่นั้นเดิมนั้นเคยเป็น อดีตคือในสมัยโบราณนั้นเป็นภูเขาไฟมาก่อนแล้วดินนั้นเป็นดินสีดําที่เกิดจากภูเขาไฟเพราะฉะนั้นหินในแถบบริเวณกค ล, ลิฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองคาเปร์นาอูมนะครับก็จะเป็นหินสีดําและดินนั้นก็เป็นดินสีดำท่า น, นครับมัตติวและมาร์โกนั้นเน้นว่าเม็ดถักกานั้นเป็นเม็ดที่เล็กที่สุดในบรรดาเม็ดทั้งปวง ลูกาได้เน้นถึงความสำคัญของต้นขับการทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับลูกามีจิตใจแห่งการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาต้องการให้โลกรู้จักกับพระเยซูลูกาได้เดินทางไปกับเปาโลและคนอื่นๆเพื่อ น, นำข่าวคอนเสร์ตของพระเยซูไปทั่วโลกโลกในขณะนั้นก็คือเป็นโลกที่เขารู้จักก็คือ โลกที่อยู่ในจอนออกกลางและในยุโรปการที่ลูกาเดินทางไปกับเปาโลเพื่อนําข่าวประเสริฐนั้นเขาก็เน้นหนักว่าต้นผักกาดนั้นได้เจริญขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างไรและจะให้นกมาทำรังได้อย่างไรในภาษายิวนะครับหรือภาษาฮิบรูคาว่านกคาว่านกหมายถึงคนต่างชาติ คนต่างชาติเป็นชาติใดก็ได้ครับที่ไม่ใช่อยู่นกที่อาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้นะครับเป็นสนัญลักษณ์ที่หมายถึงคนต่างชาติเมื่อเรามาดูคาโอมาเราจะได้เข้าใจถึงสิ่งที่ลูการ์กำลังพูดลูกาบอกว่ามีชายคนนึ่งนำมเมล็ดผักกาดไปเพาะมันก็จเจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้มาร์โกได้กล่าวว่า กิ่งก้านสาขาอันใหญ่โตของมันนั้นใช้เป็นร่มเงาได้อย่างไรเราเห็นว่าผู้บันทุกผู้บันทึกพระิติคุณทั้งสามคนนะครับมัตคิวมาโกลูการได้กล่าวถึงการที่นกได้มาทำรังบนกิ่งก้านของต้นไม้นั้นถ้าพี่น้องมีโอกาสไปเยี่ยมชมอิสวีเอลหรือแผ่นดินปารลสไตถ้าเราสังเกตต้นไม้ครับ ต้นหนึ่งเราเห็นว่ามีนกที่กําลังหากินหาที่พักบนกิ่งไม้ที่แผ่กระจายนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าท่ามกลางความร้อนของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันประกอบกับจํานวนต้นไม้ในปาเลสไตน์นั้นมีน้อยครับเราเห็นว่าต้นไม้ก็มีความสําคัญในการอยู่รอดของนกเราจะสังเกตได้ว่า บรรดาพวกนั้นได้กินเมล็ดต่างๆจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งครับเมล็ด เ, เล็กๆสีดำจากเวลกของต้นไม้นี่คือวิถีชีวิตและธรรมชาติวิทยาของแผ่นดินบาเส์สไตล์ที่ครับเราจะมาดูความหมายจริงๆครับว่าความหมายคำอุปมาณนี้คืออะไรบ้างข้อสังเกตข้อแรกก็คือ พระเยซูไม่ได้อธิบายความหมายของอุปมานี้แต่เรารู้ครับว่าตองกำลังเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับเมล็ดเล็กๆแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับเมล็ดเล็กๆที่นำมาเพาะจนกลายเป็นต้นใหญ่ซึ่งให้ร่มเงาและที่กำบังได้นักวิชาการที่ได้ศึกษาัอบอุปมานี้เป็นภาษาอารามเทพและเป็นภาษากรีก็ต่างเห็นพร้องกันนะครับว่า คำอุปมานี้ก็คือคำอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินสวรรค์ซึ่งมีขนาดเล็กมากในตอนเริ่มต้นและมันได้จำเริญใหญ่โตขึ้นจนเป็นของทุกคนที่ปราถนาของคนต่างชาติที่ไม่ใช่อยู่ที่เขาเปรียบเสมือนกับนกที่จะมาอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นไมน้นี้หมายความว่าต้นไม้นี้มันได้จำเนินโต ใหญ่โตขึ้นจนเป็นที่ทุกคนปั้ถนาและที่ที่จะช่วยคุ้มภัยได้พี่น้องครั บ, บเมล็ดักกาดนี้ถูกนำมาเพาะในไร่ของชายคนหนึ่งทำให้เราเห็นภาพทารกน้อยที่ประสูตรในรางยญกในคลอกม้าที่ไม่มีใครรู้จักที่ชื่นพระบิดาของพระองค์ผู้ทรงสร้างโลกนี้จดัดเตรียมไว้ให้กับพระองค์จาก ทารกน้อยที่ประสูตรในรังยา่าจากผู้ที่ป้วยต่ําจากผู้ที่เล็กน้อยได้กลายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกพี่น้องครับท่านเห็นอะไรครับในวันคริสต์มาสที่กาลังจะมาถึงนี้หลายหลายบัก็กําลังเตรียมจากวันคริสต์มาสจากพิธีเฉลิมฉลองพิธีนมัสการเยอะแยะมากมายครับแต่ ให้เราคิดถึงคำรรมอษมานี้ว่าเมล็ดปันกาบนี้ทำให้เรานึกถึงภาพทารกน้อยที่ประสูตรในรางญ้าที่ไม่มีใครรู้จักแต่เวลานี้ทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยรอดและองค์พระมูญเเจ้าของโลกเราเห็นสิ่งเล็เกๆที่เติบโตขึ้นเป็นสิ่งใหญ่นั่นคือการอัศจรรย์อของพระเจ้าที่พระเจ้าสอนให้เรา เรียนรู้จักธรรมชาติเาพเจ้าได้เห็นกลุ่มเสาเล็กๆที่ติดตามช่างไม้คนหนึ่งจากแคว้นเกาหลีในขณะที่เขาทั้งหลายได้เผยแพ ร, ร่ข่าวเสริฐไปยังแคว้นเกาหลีแล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละแรอบๆแคว้นเกาหลีต่อมาก็เผยแพร่มาที่แคว้นเซมารีต่อมาก็แคว้นยูเดียและในที่สุดก็กระจายไปทั่วพื้นพิบก ผู้แผ่นดินโลกข่ารเผยเสด็จนี้ครับเป็นข่ารเผยเสริจที่มีคนครับล้านคนเป็นพันล้านคนที่มีความเชื่อใละศ ร, รัทธาไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ในลักษณะใดก็แล้วแต่แต่การเผยแพร่เหล่านั้นหลายๆลครั้งทีเดียวต้องแลกมาด้วยชีวิตการเผยแพร่่ารเผยเสริจนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งใหญ่มากในที่ลศาสนา เพราที่ผู้ที่ได้รับข่าวประเสริญนั้นไม่ว่าเขาจะได้รับทางสิ่งสิ่งพิมพ์วัทยุทางโทรทัศน์หรือการบอกหรือการประกาศตามสายสัมพันธ์ก็ดีคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่หลายครั้งอาจจะต้องถูกข่มเองถูกฆ่าหลายครั้งเขาอาจจะต้องถูกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ยุติธรรมไม่ชอบทำเกิดขึ้นเราเห็นกลุ่มเรื่อย ที่ขับชื่อในการเริ่มต้นประกาศขา่าวระเสริฐแผ่นดินสวรรค์มีจุดเริ่มต้นที่เล็กๆก็จริงครับแต่ในวันพิพากษาคนจนํานวนมากกับที่ได้รับความรอดนั้นก็จะมารวมตัวกันสันส่วพระเจ้าคนเหล่านี้ครับเหมือนกับบรรดานกตัวน้อ ย, อยที่แสวงหาที่กําบังร่มเงาและอาหารในกิ่งก้านของต้นประกาศพี่น้องครับเมื่อเราคิดถึงความหมายของคำอุปมานี้ อยากจะให้เราคิดถึงพระเยซูคิดถึงเรื่องของทิฏฐจักรซึ่งเป็นแผ่นดินสวรรค์และคิดถึงเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเทศกาลคริคสต์มาสนี้ถึงที่สําทันที่ผมเชื่อแน่ว่าเป็นน้ำมัธยของพระเจ้าก็คื อ, อย้า้คริสต์มาสีเป็นแค่การเฉ ล, ลิมฉลองแต่ให้คริสต์มาสีเป็นการที่ทั้งหลายพวกเราทั้งหลายนั้นจะล้ำลึกถึงการประสูตดของพระเยซูในขณะุดกันก็จะ ลุกขึ้นมาเผยแพร่ข่าวประเสริฐเผยแพร่ข่าวดีแห่งแบงค์ิสวรรค์ให้กับคนอีกมากมายครับพี่น้องครับอยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อสําหรับการที่เราจะเชิญชวนสายสัมพันธ์ของเราคนที่เรารักเพื่อนในที่ทำงานของเราอย่างน้อยหนึ่งคนหรือสองคนที่จะไปร่วม ง, งานกริสต์มาตามพิจัดต่างๆเดี๋ยวก็ยิ่งพิจัดที่ท่านอยู่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระองค์ทรงเมตตา ให้เราทั้งหลายจะมีจิตใจแห่งการล้มลึกถึงคริสต์มาสอย่างแท้จริงอย่าให้เราง่วงอยู่กับการจัดงานจงลืมความหมายคริสต์มาสใหม่หรืออย่าให้เรายุ่งอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างในอาชีพของเราหน้าที่การงานของเราและวันคริสต์มาสก็ผ่านไปอีกปีหนึ่งอย่างไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะและพระเจ้าจะพอพระทยัยชีวิตของเราไหมในวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้ขอพระเจ้าวอวยพระพี่น้องทุกทา่าน แต่วันนี้ในการนมัสการพระเจ้าอารมน